ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้ามาถึงช่วงที่สนทนากับพระเจ้าพิมพิสารก็จบลงด้วยพระเจ้าพิมพิสารเกิดประทับใจศรัทธาเรื่องใสแล้วก็มั่นกระไทว่าเจ้าชาจิตตถถานั้นคงจะได้จัตสรู้ตามที่ มีเจตจำนงมุ่งมั่นอยู่ก็ตกลงขอผ่อนว่าเมื่อพระองค์ได้ ส, สรุแล้วก็ขอความกรุณาสเสด็จมาโปรดด้วยซึ่งจะใชายสระเองก็มั่นไประไทยนะว่าจะต้องหาทางนี้เจอจันได้จึงรับคำอย่าลืมว่าเป็นสัจจปฏิญาณที่ตั้งไว้ ถ้าขาดความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยไม่ไปรับปากอะไรกันอย่างนั้นหรอกไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ก็แสดงถึงว่ามั่นพระไถ่ด้วยกันทั้งสองพระองค์พระเจ้าพิมพิสารก็มั่นพระไถ่ในเจ้าชาจิตตะทะเจ้าชายเทตะทะก็ทรงมั่นพระไถ่ในพระองค์ว่าการตัดสินพระไถ่ครั้งนี้ไม่ผิดทีนที้ปัญหาว่าหลักความเชื่อซึ่งปรากฏอยู่ในชุมพูทวีบยุคนั้น ก็อย่างที่พูดเรื่องลัทธิของครูทงกซึ่งมีอยู่ก่อนพุทธกาลเนี่ยเราเราเราจะเห็นว่าถ้าจะแบ่งเป็นวัตถุนิยมกับจิตนิยมมันก็เป็นสองกลุ่มโดยถ้าแบ่งเป็นรูปเทวนิยมกับอัเทวนิยมมันก็มีอยู่สองกลุ่มเหมือนกันคือกลุ่มที่เป็นเทวนิยมก็ได้แก่กลุ่มของพวกที่นับถือ ให้ความสำคัญกับเทวดาทั้งหลายเทวรัที่ทั้งหกนั้นในลองสังเกตว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะในเรื่องที่เกี่ยวกับเทพเจ้าโดยเฉพาะของท่านปุรณกัสปะมัคคิิโคสารอจิตเกสกัมพลปะกุทากะจายญาณเนี่ยไม่ได้บอกอะไรชัดเจนที่เกี่ยวกับเทพเจ้ามันจะมองไปในแนวของมัตติกาทิฐินิสู คือเรื่องไม่มีแต่ลักษณะคำว่าไม่มีเนี่ยมันในสิบเรื่องเนี่ยค่อนข้างสิ่งและเป็นที่น่าสังเกตว่าในพระบาลีพุทธวจนะเวลาพูดเรื่องเหล่านี้พระเจ้าทรงแสดงไว้สิบข้อเสมอเลยแต่ก็แปลกที่ว่า พระของเราเองในปัจจุบันระดับที่เป็นครูบาอาจารย์คนได้แสดงว่าถ้าที่เป็นปฏิปะต่อพระพุทธดำรัสเรา ม, ามันทวนกระแสกิเลสมากไปหรื อ, อยังไงก็ไม่ทำคืูทรงแสดงเรงความเชื่อในยุคนั้นว่าเชื่อประการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผล พ่อไม่มีแม่ไม่มีนะฮะพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคนโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำจะดีหรือชั่วก็ตามไม่มีบางทีท่านมาพูดว่ากรรมและวิบากของกรรมกรรมและผลของกรรมไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านได้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นในรู้ตามก็ไม่มี จะถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แรง็นลักษณะที่เป็นวัตถุนิยมซึ่งจัดมากแล้วก็ไปเศษสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงซึ่งกล่าวโดยสรุปเราจะเห็นว่าแม้จะพูดเป็นสิบเ่ีจริงมันมีแค่สาม่ น, นั้นเองก็ไปเศษกฎของกรรมไปเศษกฎของสังสารวัฏแตปฏิเสธการศั ส, สรูของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่ามไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า มีศรัทธาในกรรมในผลของกรรมในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนก็ขาดแคลนทั้งศรัทธาและก็ทั้งปัญญาได้ทรงแสดงเลนย้ำเอาไว้ว่าสิ่งทั้งสิบประการเนี้ยมีอยู่แท้แต่คนบางพวกเห็นว่าไม่มีความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาคิดว่าไม่มีความคิดก็เป็นมิจฉาสังกปะเขาพูดว่าไม่มีคำพูดก็เป็นมิจฉาวาจาเขาบอกกล่าวชี้แนะให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามว่าสิ่งทั้งสิบนี้ไม่มีคำพูดของเขาก็เป็นปฏิปักษ วาทะของเขาหรือคำกล่าวของเขาเป็นวาทะที่เป็นปฏิบัติต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบาป ก, กรรมเป็นนั้นมากนั่นก็คือสิ่งที่มันมีการเผยแพร่กันอยู่ในสมัยนั้นเป็นแนวทางวัตถุนิยมทีแนวหนึ่งมันก็ค่อนข้างสะดวกสบายไปนะหรือเชื่อถึงอำนาจยิ่งใหญ่ที่มาจากสูงสวรรค์หรือมาจากอะไรก็ตาม อเรื่องบังเอิญเรื่องของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยนะสังสารและสุทธิคือเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายแล้วก็บริสุทธิ์เองแสดงว่าไม่ต้องไปสร้างเหตุอะไรก็บริสุทธิ์ขึ้นได้เองเป็นความคิดเห็นที่น่ากลัวน่าวิตกกังวลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง ต้องหาทางศึกษาแล้วพิสูจน์ทฤษฎีเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าเมื่อองค์ศาสรู้ดูแลองค์จะต้องเจอกับทฤษฎีเหล่าเนี้ยแล้วก็ต้องต่อสู้กันแต่ในขณะเดียวกันจริงๆเนี่ยว่าความถูกต้องของทฤษฎีเหล่านี้มีหรือไม่หรือมีมีอยู่ในชั้นไหนแต่จะพิสูจน์ทดสอบยังไงเพราะแนวการศึกษาขององค์ในคราวนั้นมันก็มีหมดทั้งสามแนว แนวหนึ่งก็คือไปศึกษาเรื่องจิตโดยเข้าไปศึกษาในสำนักของท่านอาลาดาบทการามโครุทกาดาบทรามบุตรในลัติที่เราเรียกในตอนต่อมาว่าจะทัศนะเนี่ยก็เรียกว่าสางัสางขยาสังขยาก็คือตัวเลขมันเยอะสังขยาคือการนับนับที่ไม่ไม่สิ้นไม่สุดก็นับกันเยอะได้ เป็นลทัทธิของท่านกบิลมมนีกบิลมุนีองค์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะเป็นองค์องค์เดียวกที่มอบที่ดินให้ราชกุมารอันเป็นราชราชธิดาของเจ้าโอกากากราชสร้างนาคกรกบิลพัทหรือไม่หรือว่าเป็นองค์อื่นในนี้ก็ไม่ค่อยชัดนะ่ะประชื่ อ, ช, อชื่อมหาบุรุษเนี่ยมันซ้ํากันเยอะชื่อคนดีๆคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายกับ น, น, น, นาคาชุนอย่างเงี้ยก็มีประมาณสามสี่คน นาคารชุนองคไหนล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกนะชื่อเด่นๆดังๆเนี่ยจะมีอยู่หลายองค์หรือแม้แต่ว่าของของพวกพราหมณ์จช่นว่ชื่อสังฆราชานเนี่ยชื่อไปชื่อมาเวนี้มันเป็นตําแหน่งไปมันเหมือนกับตาแหน่งแต่ที่เดินที่เดียมเป็นชื่อคนแต่ชื่อคนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะฮะในการ ทำลายล้างควายที่จมกันข้ามกับตนเนือรับการยกย่องในมโมโกของต้ตนบาคนก็ชอบชื่อเหล่านี้ที่จะอยู่ในนามเหล่านี้ก็ น, นามวองสังกรดจารย์ทีนี้และที่เหล่านี้มันก็ใช้วิธีการฝึกปรือในด้านจิตใจถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงนะว่าถ้าเราไม่นับที่ศาสนาเชนหรืออาจจะนับเชนด้วยอย่างได้เลยนะ ก็เป็นระบบคำสอนที่พัฒนาจิตขึ้นไปสูงมากเรียกว่าเข้าถึงพรหมโลกแล้วถ้าเราไปศึกษาเจาะรายละเอียดอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนเนีว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งนะก็ อ, อยากจะดำเนินการพิมพ์คำผีพระเวทเอาคำผีพระเวทออกมาศึกษากันให้กว้างขวางในวงการพระพุทธศาสนา ตั้งเป็นวิทยาลัยกา ร, รศาสนาไปเลยแต่ในสายของเราเนี่ยคือคือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันสามารถสามามรถหาจุดเชื่อมต่อกันได้เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปทิฏฐิพระมานณ์เจ้าคือนัก บ, บวชทั้งหลายเนี่ยบางทีท่านก็บวชเพื่อลดละ ก, กิเลสแต่ท่านก็ลืมนะทําไปแต่ามากิเลสก็เพิ่มไปเกาะอยู่ที่ท่านเต็มไปหมดเลย แล้ว ก, ก็กลายเป็นทิฐิเป็นการถือรันเป็นการเอาชนะฆ่าขานกันแทน่นที่จะเป็นผู้นำทางจิตปัญญาก็กลายเป็นผู้นำทางการเบียดเบียนมาทุจร้ายกันต่อสู้กันจนกลายเป็นสงครามศาสนาเห็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะฮรับบางทีคิดไปคิดมามันเอ๊มันก็เหมือนกับยืน่นมันีมีค่ายวานนอนดูซะ ก, ก่อนแลยจึงคิดปิดทองเปลวคือศาสนานี่ดีเกินไปแต่ว่าคนเนี่ยมือมันไม่ถึง คุณธรรมไม่ถึงใจไม่ถึงมือไม่ถึงข้าวไม่ถึงรู้ไม่ถึงปฏิบัติไม่ถึงและในที่สุดก็กดาศาสนาลงมาอยู่ระดับที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิดชูตัวเองจะได้ฟังข่าวคลาวต่ า, วางๆศึกษาประวัติศาสตร์และบางทีมันฟอนะหดตรโหจะมาเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่เด็กมาก็ชอบอ่านพอเจอเราก็ยากอยากจะอ่านอยากจะรู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่พอเราอ่านไปแล้วเราก็หดถูเพราะว่ามันขัดแย้งกับตัวสาระถะที่เป็นแกนนของศาสนานั่นๆนะแต่ศาสนาิสไปทำขึ้นก็ทำให้นึกถึงคราวหนึ่งนานมาแล้วอสภาการศึกษาคาทอลิก เขานิมนะต์อาตมาไปพูดเรื่องศาสนากระสันทิภาพโลกเป็นการพูดในทํากลางนะักวิจการเป็นจำนวนร้อยนะประมาณรกักสี่ห้าร้อยดังนึกออกนะที่สว่างไฉนิวาสแล้วก็ไปสว่างไฉนิวาสครั้งเดียวแต่นั้นเองในคราวนั้นแล้วก็เข้าเป็นพุดอยู่เพียงสองคนแต่นั้นเองก็คือคนกับรถกับอาตมาแต่รถก็ยืมรถธนาคารหานไทยไป แล้วผู้เชี่ยหเห็นลำดับความกันมาเรื่อยๆแล้วก็สรุปไปเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยดีพอที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างน้อยระดับสังคมแต่ว่าศาสนิกเนี่ยจิตใจมันไม่ถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็มือไม่ถึงบริหารประศาสนากลายเป็นเอาศาสนาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในการหนักล้างทำลายกัน ยิ่งไปดูจังหวัดทางภาคใต้จะเห็นนั้นราธิวาสยะลาปัตตานีนะจนถึงสตูลแล้วก็ข้ามาถึงสงขลานี่เราจะเห็นเพราะบางจุดเนี่ยเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางจุดมันมีความแตกแยกรา้าชานกันมีการเปลี่ยนคอยเกณน์ค่าทำลายล้างแล้วก็ลุกกระเถิบเข้าไปแบบแตอันหรอคือจะยึดกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเอาไวส้สมบัคิพวกของตัวเอง ซึ่งก็เป็นการสร้างมดกบบาปให้แก่โลกที่เป็นองค์รวมเป็นปรญหาที่น่าหวงใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีคาวของความรุนแรงรออยู่เบื้องหน้านั้นไม่ได้อื่นไม่ได้เกียวกับศาสนานะะมันเกียวกับคนในศาสนาที่ไม่เข้าใจถึงถึงเกียติอารมก็ศาสานาด้านบริสุทธิ์มากพอ มีเหตุผลมากพอแล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกนี้มากพอเพราะไม่งั้นสร้างศาสนาไม่ได้เป็นสถานศาสนาไม่ได้แต่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยคนรุ่นหลังเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มองไปคือเห็นประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จากความยิ่งใหญ่ในเสื้อคลุมของศาสนาในร่เมเงาของศาสนาแล้วก็เลยก็ตะเกียตะกายขึ้นไปอยู่ในจุดตรงนั้น เป็นคนบาปในคราบของนักบุญแล้วก็นําศาสนาไปสู่การทําลายล้างกันหลายครั้งหลายคนในประวัติศาสตร์เพราะเหตการในคราวนั้นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือว่าพอเกิดเป็นคณาจารย์เจ้าลักที่ขึ้นมามากเนี่ยมันก็เข้าในตํำนองจะเรียกว่ารู้มากจากนานรู้น้อยปล่อยลำกาญคาือคนที่ต้องการศึกษาจริงๆด้วยความสุจริตใจจริงๆก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่า มันค่อยๆจะดีทั้งนั้นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อกันจนรู้สึกว่าดีทั้งนั้นไปดูที่การคัดเลือกการตัดสินใจมันก็พิสูจน์กันไปเป็นตอนๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือหยิบมาเป็นชิ้นๆมาพิสูจน์ทั้นั้นเองจึงสามารถหาข้อยุติได้ว่าอะไรคือทางที่จะช่วยบุคคลนั้นหุดพ้นจากความทุกข์ วันแรกที่เข้าไปศึกษาก็เป็นลัทธิสังขยะของท่าน阿拉าดาบทกาลามโคดุทกุตกะดาบทามโมบุวันนี้ศึกษาดีนะฮะคือที่จริงๆแล้วก็ถือว่าดีทันที่กล่าวแล้วแล้วเราก็นํามาใช้นะฮะที่จริงเพียงแต่ว่ามันเป็นระดับพื้นฐานเป็นระดับศีลสมาธิผู้งานเป็นระดับศีลสมาธิ ไม่ได้ใช้ปัญญาลึกซึ้งมากเท่าไหร่คือไม่ถึงกับมีปัญญาที่จะจำแรกกิเลสได้แต่ว่าก็มีปัญญานั่นแหละแต่กำลังมันอ่อนแท่นั้นเองวเดยก่ามีไม่พอใช้แกกรณีนั้นนั้นแนวตรงนี้ก็คือศึกษาที่เรียกว่าสมาบัติสมาบัติเจ็ดกับสมาบัติแปด สมาบัติเตก็คือรูปปฌานสี่โรงนี้ก็คือผลคือสมาสมาธิของเราก็แสดงไม่เบานะคือเข้าไปที่สมาสมาธิได้บุคคลก้องชาญเนี่ยมันก็ให้ความสงบให้ความสงบในด้านจิตใจจิตใจสงบจากมิวรธรรมทั้งห้าประการแต่ตอนนี้มันเกิดพลังของกุศลละธรรมขึ้นมาแล้วก็ทำลายากุศล แต่ไม่จะทําลายขาดนะฮะทาลายแบบเอามือกดไว้หรือว่าเอาอะไรคลุมไว้เอาเสื้อลําแพนมาคลุมสนามหญ้าไว้มันก็ไม่เห็นสนามหญ้าหรือว่าเอาอะไรมากดทับไว้มันก็ไม่เห็นแต่ว่ามีนะฮะแต่ว่ามีอยู่เพียงแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างก็ไม่เห็นถูกกดทับเอาไว้ดังนั้น เมื่อเรามองดูแล้วก็คือรูปฌานสี่ก็คือฌานสี่เป็นนิชานเนี่ยเราจะพบว่ามันมีทั้งที่เป็นผลแล้วก็ทั้งที่เป็นเหตุในกรณีของรูปฌานเนี่ยถ้าเป็นเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอารามนุปนิชานมีการเพ่งดูอารมณ์อะไรก็ได้นะฮะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้แล้วจิตใจมันสงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ในสมัยนั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาศัยโยคสูนยะของท่านปรตตันชลีก็ควบคู่กับสังกย y a ของท่านกบิลละมุนีมาตั้งสติกำหนดระลึกดูลมให้ขายใจเข้าหายใจออกจะ ก, ก็ฝึกเล่นไปรูปของปราณะนะฝึกไปรูปปราณแล้วก็บริการทางกายกรรมนะจะเราเรียกว่าฝึกโยคะในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาสมัยพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้เป็นรูปของจุกรมนะเดินจุกรมคือแทนที่จะหกขมเรตีลังกายอย่างนั้นสหรับพระมังโกรูแล้วก็ไม่สวยงามแต่ท่านก็ฝึกในรูปของโยคะไปคาดแต่เนื้อแต่งตัวของท่านกับการฝึกโยคะเนี่ยมันไม่เคยขัดอะไรกันแต่ก็เราคนเข้าไม่เรียบร้อยนะฮะถ้าไปฝึกโยคะเอาหัวลงตีรังกายอะไรต่อไรเนี่ย เมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตใจก็จะบังเกิดเป็นฌานขึ้นมาสี่ห้าประการห้าบ้างสี่บ้างนะแต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าฌานสี่ตามปกติในบาลีมันเจอแค่สี่เขาเรียกว่าจตุกกนานกับปัญจกันาญพอมาถึงอภิธรรมมันก็มีว่าห้าซึ่งก็ไม่เคยเข้าใจท่านเหมือนกันคือมีวิตกความตรึกที่เป็นกุศล มีวิจาร์การไตรซองซึ่งกุศลและธรรมเหล่านั้นแล้วก็มีปีติความอึบอิมเกิดขึ้นปรากฏขึ้นไปในจิตแล้วก็มีสุขความสบายกายสบายใจแล้วก็มีเอกอากตตาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาชิ ทีสิ่งทั้งทั้งห้าข้อเนี่ยเขาได้องค์ชาตทั้งห้าข้อเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพ่งสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะในกรณีนี้ที่เรียกว่าหนาปาน้นสติเนี่ยคือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วเมื่อจิตไม่จดจ่ออยู่ในที่ใดที่หนึง่งจิตก็ไม่วิ่งไปรับอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ก็สง บ, สงบค่อยสงบขึ้นไปเรื่อยๆมาถึงจุดหนึ่งมันก็อยู่ในกระแสะของกุศลธรรมดังกล่าว มันก็ข้าสูตรที่มือมืดก็มีสว่างแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้นะฮะมีกลางคืนก็มีกลางวันแก้มีร้อนก็มีเย็นแกเนี่ตอนนี้มันเกิดแสงสว่างขึ้นมาหรือว่าเกิดความเย็นขึ้นมาเพราะในนิวรณ์ซึ่งมันร้อนซึ่งมันมืดเนี่ยทั้งร้อนทั้งมืดเนี่ยมันก็ถูกทำลายถูกสยบไ้นะฮะไม่จะถึงกับทำลายเกิดสยบไ้ก่ อ, อนก็ฟังลง วิตกคือความตรึกนึกความเหนียวนึกเนี่ยมันไปสงบพวกถีน้นิทะคือง่วงเหงาหงนอนซึ่งเป็นนิวรอนข้อหนึ่งแล้วก็วิจารณเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไปสงบวิจิกริยาคือความเครือบแคลงสงสยัยความไม่แน่ใจความลังเลต่างๆแล้วก็บิติความอึดอิ่มมันก็ไปสงบความรู้สึกอาฆาตพยาบาทแล้วก็สุขไปสงบพวกอุทตะโกกุฏะ เอกิกาตาคือสมาธิมันก็ไปสงบประเภทของกามฉันทะตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้าเรามองกันโดยเหตุด้วยผลอย่างในกรณีวัด ท, ที่ไรกันมหาศาลเป็นภูเขาโลกาเนี่ยแล้วก็ตั้งตัวเป็นผู้นำทางสมาธิภาวนามันไม่มีทางเลยนะที่จะอยู่ด้วยกัน ส, สองเรื่องนยฮะคนเดียวมีพฤติกรรมสองอย่างนอกจากมนุษย์สองหน้า เขาเรียกสองปุกลิกต่างๆซึ่งเป็นอาการผิดปกติทางจิตของคนนะคือโดยปกติแล้วไอ้โลภะกับสมาธิเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันไม่ได้มันเหมือนมือกับสว่างอยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันไม่ได้แต่ก็มีสังคมเราก็ไปเชื่อว่าสมาธิกับโลภะอยู่ด้ยกันได้ก็น่าอินดูมา ก, ก น, นะฮะ แล้วก็หลงกันไปใหญ่เพียงเพราะโลภคือไม่ได้นึกถึงบัตกรรมอะไรที่ทําให้ศาสนาแปดเปื้อนศาสนาก็รักษากันมาตั้งสองพันปีแล้วเราโพรมื่อไม่กี่วันในทําอบปวดโมเตอร์ศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคนมันเชื่อนะอันนี้คือเรื่องใหญ่มานันตมาลงทุนไปเกือบสามพันนะฮะส่งอนุสาสนาจารย์ฐานเรือแต่งตัวเป็นชาวบ้านไปกว่านซื้อทั้งเทปทั้งหนังสือทั้งอะไรต่ออะไรมามานั่งอ่านมานั่งฟัง เราก็อัศจรรย์นะฮะว่าเออคนก็เชื่อได้เหมือนกันมันไม่ใช่ผิดทั้งร้อยหรอกว่าแต่ว่าผิดเนี่ย 10% 15% เนี่ยแน่นอนเลยไม่เลยยุติธรหลักของาศาสนามันพิสูจน์ได้อะมันพิสูจน์ได้ว่าคนที่หายป่วยเนี่ยไม่ป่วยเนี่ยต้องมีเดี่ยวแรงมีกำมังมีความคล่องแคล่วมีสติปัญญาไวพริบปฏิพานต่างเนี่ย มันคงตัวอยู่เขาเกิดเป็นอย่างไงเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาเกิดทุกพพลภาพขึ้นมาเขาเจ็บค้าได้ป่วยขึ้นมาอาการเหล่านั้นก็หายไปแต่ที น, นี้เขาบอกเขาไม่ได้ป่วยแต่อาการเหล่านั้นไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเขาต้องผิดปกติเพราสื่องเส่งสมาธิและการมาาีฌานนั้นก็มีลักษณะอย่า ง, งนี้พระโพธิสัตว์ท่านเดินไปถึงจุดนี้ ทีนี้ในที่สุดเนี่ยมันไปอยู่ที่เอกขตากับอุเบกขาจิตมันเดินไปเรื่อยไปอยู่สงบกับอุเบกขาคือเพ่งดูแล้วก็ไม่เขยืดอาจารย์ก็สอนต่อไปสู่อรูปฌานอีกสามข้ออาจารย์กาลาานาบทเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติระดับของอรูปฌานเป็นการเลิกสนใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรม แต่ว่ามึมองดูที่อากาศได้เห็นว่าอากาศเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแ้าในสุดก็ว่งวางๆห่างไกลสุดที่จะคำนวณได้ว่าอากาศเนี่ยมันมีเท่าไหร่ปริมาตรมันมีเท่าไหร่เนี่ยมันอนันตังอากาศเนี่ยปรนานันโะตนันโตอากาศสอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเสร็จแล้วมันก็โอ้มันไม่ไหวก็ไม่ดูที่วิญญาณวิญญาณก็กลายเป็นอนันตังวิญญาณนางวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกัน พีนี่ดูอะไรมันมีล่ะมันก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยมันเหมือนก็เรามองไปถึงหน่วยย่อยที่เป็นอนุนะมันจะถือไม่มีก็ไปได้นะมันเป็นอนุแต่ว่าเพียงแต่ต้องดูด้วยกล้องขยายหน่อยเท่านั้นเองแต่ถามว่ามีก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่เห็นด้วยตาสรง น, นี้มันก็ถือว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ก, ก็ยังไม่เห็นห น, นทางที่จะ ได้บรรลุมรรคผลคือจะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้จนในที่สุดก็มาถึงจุดที่บ น, นเพ็ญเพียรดีค่อนข้างแรงขึ้นไปถึงระดับไม่เห็นอะไรเลยเครียกว่วาในวะัสัญญาณสัญญาณะตนาไปศึกษาได้ในตํานักของอุตกรดาบ ร, รมมามบุตรแต่ข้อเดียวนะฮะเป็นสมาบัติที่แปด ยิ่งโลกไม่มีอะไรเลยทานองคล้ายๆกับน้ําในแก้วที่โรเทชิง้งมันจะพูดว่ามีน้ําก็ได้ไป ม, มีน้ําก็ได้เพราะฉะนโลกทั้งปวงในสายตาของท่านที่เข้าถึงจุดนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ายังหาทางไปไม่ได้ในขณะเดียวกันก็มั่นใจวันนี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งครุมันเป็นการพักของสังสารวัฏนั้นเองก็ทําให้ไม่ไปติดใจยอยู่ในจุดตรงนั้นซึองฟังเท่าไหร่ ใต้ร่มบพุทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท้นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญรุ่งงามไปบุญในธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทางไายโดยทัวกันทุกท่านเธอ